การทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม เป็นพระ อ, อริยะบุคคลหรือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เหล่านี้เกิดจากกรรมทั้งนั้นกรรมแปลว่าการกระทาไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปที่เราใช้คู่กับบุญ บุญกรรมั้งทีเราพูดว่าบุญกับบาปแต่เรามักจะพูดเป็นบุญกรรมไปคำ ว, ว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายถึงคำ ว, ว่าบาปเพียงอย่างเดียวหมายถึงการกระทาทุกชนิดบุญก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งบาปก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งกรรมก็คือการกระทาทางกายทางวาจา และทางใจการกระทาทางกายเราเรียกว่ากายกรรมการกระทาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมการกระทาทางใจเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดต่างๆคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดกลางๆบ้างการพูดก็เช่นเดียวกันวาจีกรรม พูดดีบ้างพูดไม่ดีบ้างพูดกลางๆ ก, mm hmm. การกระทําทางกายก็เช่นเดียวกันทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างทำกลางกลางบ้าง mm hmm. การกระทําทั้งสามนี้จะทำให้เกิดวิบากแปลว่าผลของการกระทําที่มีสุข ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จเจริญเสื่อมหรือไม่จเจริญไม่เสื่อมนี่ก็คือวิบากผลที่เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของกฎแห่งกรรม สอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลสอนให้เราละบาปละอกุศลทั้งหลายและสอนให้เรายุติความอยากต่างๆที่เป็นการกระทําทางใจความอยากความโลภที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดพบเกิดชาติต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีการกระทาทางใจคือถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็จะไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้า ไม่มีการเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามที่ได้มาตัดสรุก็จะตัดสรุเรื่องกฎแห่งกรรมและคำสอนที่เอามาสอน ก็จะสอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนให้ทากรรมดีสอนให้ละกรรมไม่ดีสอนให้ยุติการกระทาทางใจคือความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เป็นตัวที่จะทาให้ใจหรือสัตว์โลกนี้ไปเกิดสูงสูงต่ำาๆกัน ตามบุญตามบาปที่ได้กระทำกันถ้าได้ทําบุญก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบ้าง<ม>เป็นพรหมบ้าง<ม>เป็นพระอริยเจ้าบ้าง<ม>ถ้าทําบาป ก, ก็จะไปเกิดเป็นเดรชะชานบ้าง<ม>ไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง แล้วเมื่อได้ไปรับผลบุญหรือผลบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เป็นเหตุคือเป็นภพที่มาสร้างบุญสร้างบาปกันส่วนภพของอื่นๆเช่นภพของเทวดาของพรหม ภพของเปรตของเดลชานนี้เป็นที่ไปรับผลบุญและผลบาปแล้วถ้าตาใดยังไม่ได้กาจัดมโนกรรมก็คือความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหาการไปรับผลกรรมก็ยังจะมีต่อไป ไม่มีวันสิ้นสุดตายจากมนุษย์ก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วแต่ว่าส่วนไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะไปรับผลบุญก่อนพอผลบุญกับผลบาปมีกําลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาสร้างผลบุญสร้างบุญสร้างบาปใหม่ แล้วพอตายไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดลอาชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกจนกว่าบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกการเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเกิดจากการกระทำในขณะที่มาเป็นมนุษย์กันและก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจนกว่าจะหยุดการกระทำทางใจคือมนโนกรรม คือความคิดไปในทางกามัตัณหาภาวตัณหาและวิภวตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสเรียกว่ากามัตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขและความอยากไม่เป็นอยากไม่มีก็คือการอยากไม่ให้ศูนจากลาบยศสรรเสริญสุขไป ถ้าตราบใดภายในใจยังมีความอยากทั้งสามอยู่นี้ก็จะมีการกระทำและมีวิบากก็ ค, คือมีกรรมและมีวิบากตามมาไปอยู่เรื่อยๆการที่จะมาหยุดการกระทำทางใจได้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ เพราะจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกว่าเกิดจากอะไรที่จะทรงรู้ว่าการไปเกิดสูงหรือเกิดต่ำนี้เกิดจากอะไรและการที่จะไม่ต้องมาเกิดสูงเกิดต่ำมารับวิบากต่าง จะทำได้อย่างไรจะทําด้วยอะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัด ส, สัตว์โลกก็จะสร้างกรรมทั้งสามก็คือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมเกิจะคิดไปในทางตัณหาความอยากแล้วก็จะพูดไปในทางตัณหาความอยากแล้วก็จะกระทําไปในทางตัณหา ความอยากแล้วก็จะเลือกการกระทําไปทางบุญก็ได้ทางบาปก็ได้แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยจะส่งให้ไปทําปในทางไหนบางทีก็เหตุปัจจัยส่งให้ไปทําในทางบาปบางทีเหตุปัจจัยก็ส่งให้ไปทําในทางบุญก็จะได้รับผลของ การทำบุญและของการทำบาปหลังจากที่ร่างกายได้ตายไปแล้วแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสัตว์โลกก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของตนว่าเป็นมาอย่างไรและจะเป็นต่อไปอย่างไรและสามารถที่จะปรับวิถีชีวิตของตน ในอนาคตให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้เพราะรู้เหตุของอนาคตแล้วว่าเกิดจากอะไรในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งวิถีชีวิตให้วิถีชีวิตนี้ไปในทิศทางหนึ่งทางใดจะให้ไปในทางสวรรค์ก็ได้ ไปทางสุกติก็ได้จะให้ไปในทางทุกขกติก็ได้หรือจะให้ยุติการไปทั้งสองทางก็ได้ไม่ไปทางสุกติและไม่ไปทางทุกขกตินี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสุ้แล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้กัน ให้ได้รู้กันเมื่อได้รู้แล้วก็จะสามารถเลือกทางเดินของชีวิตของตนได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เดินตามทางของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเพียงผู้มาบอกความจริงของทางที่จะไปกันว่ามีทางไหนบ้างไปกันได้อย่างไร แต่ไม่ส่งสั่งไม่ส่งบังคับว่าจะต้องไปทางนี้ผู้ที่จะไปจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าจะต้องการไปทางไหนเพราะผู้ที่ตัดสินใจผู้ที่เลือกทางนั้นจะเป็นผู้รับผลของการตัดสินใจของตนนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งต่างจากคำสอนของคาสอนของศาสนาอื่นๆส่งสอนความจริงให้ฟังให้รู้แต่ไม่ทรงบังคับให้กระทาหรือไม่กระทำเพราะทรงรู้ว่าการบังคับนี้ไม่เป็นผลดีเพราะเวลาบังคับนี้มักจะเหมือนกับจะสร้างการต่อต้านขึ้นมาใน ในใจของผู้ที่ถูกบังคับหรือถ้าอย่างที่มีคำพูดว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามแทนที่จะหยุดให้เขากระทำสิ่งที่ห้ามกลับไปยุยงให้เขาทำเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจหลักของจิตวิทยาอันนี้จึงไม่ทรงบังคับยกเว้นในกรณีของผู้ที่ มาบวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าต้องบังคับโดยสร้างตั้งกฎกติกาให้ผู้ที่จะมาอยู่มาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ในกฎระเบียบคือในพระวินยัยในข้อห้ามต่างๆของการเป็นพระภิกษุ ถ้าละเมิดข้อห้ามก็จะสามารถถูกจับศึกลาศิกขาลาเพศไปได้เคยจะถูกขับออกจากองค์กรออกจากสมาคมของพระภิกษุได้เหตุที่จะต้องทำเพราะว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่เป็นตัวอย่างเป็นเหมือนกับสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ผู้ที่จะมาศึกษาเล่าเรียนจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะได้บรรลุปเป้าหมายของการศึกษาแต่ก็ไม่ได้บังคับให้มามาบวชกันการบวชนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจถ้าอยากจะบวชก็มาบวชได้แต่มาบวชแล้วก็ตั้งอยู่ ในกฎกติกาของการเป็นนักบวชถ้าละเมิดกฎกติกาของการเป็นนักบวชก็ต้องสิกขาลาเพศไปไม่ให้อยู่ร่วมกันเพราะจะทำความเสื่อมเสียให้แก่สถาบันของพระสงฆ์ที่เป็นสถาบันที่มีประชาชนานับถือเคารพนับถือ และยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามเมื่อไม่สามารถที่จะปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามได้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในสถาบันที่สอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงจําเป็นต้องมีกฎกติกา เพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยให้ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีไม่น่าดูไม่สวยงามเข้ามาปะปนกับผู้ที่ประพฤติดีประพฤติทีท่สวยงามเพราะเหมือนกับจะเอาน้ำสกรปรกมาผสมกับน้ำที่สะอาดก็จะทำให้น้ำที่สะอาดนั้นต้องสกรปรกไปด้วย ยึงเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องมีกฎกติกาบังคับให้ผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจำเป็นที่จะต้องเคารพกฎกติกาของการเป็นนักบวชแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปคือเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์ก็ไม่ได้บังคับ ว่าจะต้องรักษาศีลห้าจะต้องใส่บาตรทุกวันจะต้องบาเพ็ญจิตตภาวนาจะต้องไปที่สังเวชนียสถานสี่อันนี้ไม่ทรงบังคับแต่ทรงแนะนำว่าเป็นการกระทําที่พึงกระทําทําแล้วผู้กระทําจะได้รับประโยชน์แต่ไม่กระทําก็ไม่ทรงว่าอะไร พระพุทธศาสนาอย่างในประเทศไทยจึงเป็นของที่ค่อนข้างจะแปลกสําหรับชาวต่างประเทศที่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะคิดว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนิกชนอยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์ก็จะคิดว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่สะอาดปราศจากอบายมุข บาสจากผู้กระทำบาปเพราะเป็นชาวพุทธเมื่อเป็นชาวพุทธก็จะไม่เสพอบายามุกเช่นไ ม, ไม่เดิมศุลายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีไม่ไปดูมอลหอรสบบันเทิงต่างๆไม่คบคนไม่ดีเป็นิไม่มีความเกลียดค้าน แต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วกับเห็นภาพที่ไม่ตรงกับที่ตนเองได้คิดไว้ไปไหนก็เห็นอาบายามุกเต็มไปหมดเห็นบาเห็นผับเห็นสถานอาบอบนวดแหล่งโสเภณีอะไรต่างๆเต็มไปหมดก็ทำให้ไม่เข้าใจว่านี่เป็นเมืองพุทธได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับ ให้ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตามเพียงแต่สอนให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นเองเช่นควรละเว้นจากอบายยมุขทั้งหลายควรละเว้นจากการกระทำบาปควรเข้าวัดใส่ําบุญฟังเทศฟังธรรมใส่บาตร ท, ทาบุญส่วนที่เขาเห็นชาวต่างประเทศเห็นที่ ชาวพุทธทำกันมากก็คือการทำบุญการใส่บาตรอันนี้เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยแต่จุดด้อยก็คือการไม่รักษาศีลการไม่ละเว้นจากอบายามุขต่างๆอันนี้เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับให้พุทธศาสนิกชนที่จะ ถือตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องกระทำแต่เพียงทรงแสดงว่าคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีควรเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คิดดีพูดดีทำดี ที่สอนให้ละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนี้เป็นคุณสมบัติของชาวพุทธที่แท้จริงนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมก็ขอให้ดูการปฏิบัติของเราว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเราได้ปฏิบัติตามเราก็เป็นชาวพุทธ เราก็เรียกตนเองว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้เป็นลูกศิษย์ของพระอรหันตสาวกได้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ประพฤติตามคำสอนของพระอริยสงสารกถึงแม้ว่าเราจะเรียกตนเองว่าเป็นลูกศิษย์มันก็เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่ตัวตนของลูกศิษย์นั้นไม่ปรากฏขึ้นมา พอตัวตนของโลกสิทธิ์นี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเราอยากจะเป็นพุทธแท้และอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทําบุญละบาปและกําจัด ความโลภความโกรธความหลงกรมจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องมีการไปใช้วิบากกรรมต่างๆไปรับวิบากกรรมต่างๆทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงและได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำความดีอยู่เรื่อยๆมันละควา ม, มการกระทาบาปอยู่เรื่อยๆ มันชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆถ้ามีการกระทำทั้งสามส่วนนี้แล้วเราก็จะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มร้อยและเราก็จะสามารถรับประโยชน์จากการได้เป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มร้อยเธอได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เกิดจากการที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านที่ไม่รู้ว่าการเป็นชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไรรู้ก็รู้เพียงบางส่วนรู้ว่าเป็นชาวพุทธต้องทาบุญกันวันมาคะวันวิสาขะก็เข้าวัดเวียนเทียนกันแต่ไม่รู้ว่าต้องรักษาศีลกันต้องละอบายามุกกัน ต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงกันต้องกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่เป็นการกระทำที่ชาวพุทธของเราพวกเราต้องหมั่นกระทำกันให้มากเพราะจะเกิดประโยชน์กับพวกเราเองไม่ได้เกิดประโยชน์กับพระพุทธเจ้าหรือกับพระอาหารหันต์แต่สามกแต่อย่างใด เพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอนันตาสาวกท่านได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่แล้วการสอนการสั่งของท่านนี้ไม่ได้ทำให้ท่านได้รับประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะความเมตตากรุณาที่ทรงเห็นพวกเรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องไปรับ วิบากกรรมต่างๆที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์แม้จะเป็นวิบากกรรมที่ดีมันก็เป็นชั่วคราวเวลาเสื่อมจากวิบากกรรมที่ดีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาไปรับวิบากกรรมที่ไม่ดีมันก็ทุกข์ทรมานใจแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันใหม่จึงไม่อยากให้พวกเราต้องเป็นอย่างนี้กันเลยมีความยินดีที่จะสละเวลาที่เหลืออยู่คือหลังจากวันที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วทรงได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่แล้วได้ไปถึงพระนิพพานแล้ว ได้พบกับบร ม, มสุขแล้วพระองค์ก็ทรงอุทิศเวลาที่เหลืออยู่จากอายุ35ปีจนถึงอายุ80ปีก็เป็นเวลา45ปีด้วยกันทรงอุทิศชีวิตนี้ให้แก่การเผยแผ่สั่งสอนอกฎแห่งกรรมให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อให้สัตว์โลกได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกวันนี้พระพุทธเจ้ามีกิจอยู่ห้าประการด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจห้าเป็นกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือในตอนบ่าย จะสั่งสอนสัายาิโยนคารวะผู้คลองเรือนในตอนค่ำจะสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรในยามดึกจะสั่งสอนบรรดาเทวดาทั้งหลายและตอนช้าก่อนที่จะทรงออกบินทบาทก็จะทรงแรงยานดูว่าจะทรงไปโปรดไปสั่งสอนผู้ใดดีในเป็นกรณีพิเศษ ในวันนั้นแล้วก็ท่งออกบินทบาทเพื่อเลี้ยงชีพนี่คือเกิยติที่พระพุทธเจ้าทรงถือเป็นกิจกรรมหลักที่ทรงปฏิบัติตลอดเวลาจนถึงเวละสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยให้ความสำคัญต่อการสร้างทาวรลวัตถุต่างๆไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียว เรื่องการสร้างวัดเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพระภิกษุสามเณรของผู้ที่มาบวชนั้นทรงปล่อยให้เป็นไปาตามศรัท ธ, ธาของพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้คลองลึกผู้ที่มีกําลังในการที่จะสร้างถาวบลวัถตถุต่างๆส่วนผู้ที่เป็นนักบวชนี้เป็นพระภิกษุนี้พระองค์ไม่ทรงสอนให้ไปสร้างวัดวาาราม แต่ทรงสอนให้ไปสร้างมรรคผลนิพพานให้สร้างการหลุดพ้นของจิตใจจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นเกิจที่สำคัญ ก, กว่าการมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบังเพลนนี้ไม่มีวัดไม่มีว่าไม่มีกุฏิที่อยู่อาศัยพระองค์ทรงอาศัยพักตามป่าตามเขา อยู่ในป่านในเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื่อผาอยู่ตามเรือนร้างไม่ต้องการให้เสียเวลากับการมาสร้างถาวรวัตถุให้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการกำจัดภพชาติกำจัดเหตุที่ทำให้มาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือให้กำจัดกามตันหาภาวะตันหา และวิภาวตัณหาด้วยศีลสมาธิและปัญญานี่คือสิ่งที่นัก บ, บวชเช่นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงให้ความสำคัญไม่ให้เสียเวลากับการไปทำภารกิจอย่างอื่นจนกว่าที่จะสำเร็จภารกิจอันนี้แล้วจึงค่อยไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อไป ก็คือการไปเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เพื่อที่จะได้รู้และนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับผลคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนันพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เว้นไม่ได้เน้นที่การสร้างถาวรวัตถุ เพราะถาวราวัตถุไม่สามารถทำให้ชาวพุทธเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็อยู่ตามคนไม้อยู่ในป่าหาใบมุงใบไม้มาทำ เ, าเพิงมาทำที่หลบแดดหลบฝน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นถาวรลวัตถุแม้แต่ถาวรลวัตถุมันก็ไม่ถาวรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องชำรุดไปต้องมีการรุลนละซ่อมแซมในสมัยปัจจุบันนี้เราเดินผิดทางกันเรามาคิดว่าความเจริญของพระพุทธศาสนาเจริญด้วยถาวรลวัตถุกันเราก็เลยทุ่มเททรัพยากรของ พวกเราไปสู่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆไปสู่การบูรณะซ่อมแซมท่าวรวัตถุต่างๆเลยไม่มีใครมาสนใจกับการมากําจัดต้นเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาทําบุญมาทําบาป ก, กันก็คือการกําจัดกา마ตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหากัน ศาสนาจึงกลายเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาเปลือกไปเป็นศาสนาที่ไม่มีเนื้อมีถาวราวัตถุเต็มไปหมดแต่หาผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้หาแทบไม่ได้เลยหาได้ยากมากเพราะว่าเดินผิดทางกันเดินไปในทางของการสร้างถาวราวัตถุกัน ลืมว่าทางที่พระพุทธเจ้าส่งได้บาเพ็ญและส่งสอนให้บาเพ็ญก็คือการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อกาจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างภพสร้างชาติให้แก่สรว์โลกทั้งหลายพระพุทธศาสนกากชนทุกวันนี้จึงไม่ค่อยมีมกักมีผลกัน มีแต่ท้าวลวัตถุกันมีวัดวาอารามที่สวยงามแต่ไม่มีใครหลุดพ้นกันไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันมีก็น้อยมากแทบจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรหายากมาก พระที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่บรรลุมรรคผลผนิพพานจนทำให้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีถึงแม้ว่ามีหรือได้เจอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะพระจานวนมากนั้นมันมีไมมีไม่เป็นเสียมากกว่าจึงทำให้เวลาเจอพระที่เป็นนี่ ก็ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นได้อย่างไรนี่คือสภาพความเป็นจริงของพุทธศาสนาในประเทศไทยทุกวันนี้เพราะชาวพุทธเหล่านี้ขาดการาดการศึกษานี้เองขาดไม่ให้ความสนใจต่อการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอออาศัยฟังกันมาปากต่อปาก ก็จะได้ยินแต่ว่าให้ทำบุญทำบุญอย่างเดียวให้ถวายภาพป่าให้ถวายกระถินให้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปกันอันนี้เป็นคำสั่งคำสอนที่เราจะได้ยินจากปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายกันจะไม่ค่อยได้ยินว่าจะต้องรักษาศีลกันจะต้องอจเจริญสมาธิจเจริญปัญญากัน ก็เลยไปสร้างเปลือกของศาสนาสร้างถาวรวัตถุต่างๆกันไม่ได้มาสร้างเนื้อหนังของศาสนาคือไม่ได้มาสร้างมรรคผลนิพพานกัน <c oughs> ศาสนาก็เลยกลายเป็นของแปลกไปในสายตาของชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศเขาได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาว่าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนี้จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างในสมัยพระพุทธกาลจะมีชาวพุทธทั้งที่เป็นบรรพชิตและขลังหัดผู้ครองเรือนเป็นพุทธบริษัทสที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิฎาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์กัน เป็นทั้งอุบาสกอุบาสิกาเป็นทั้งภิกษุสา ม, มเณรเป็นทั้งภิกษุณีมีการเยอะแยะไปหมดไปไหนก็จะเจอแต่พระอริยบุคคลกันเพราะสมัยพุทธกาลนั้นเน้นในการปฏิบัติในการศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญากันนั่นเองไ่ได้เน้นในเรื่องของการ สร้างสร้างถาวรและวัถตถุต่างๆทุกวันนี้ศาสนาของเราในปัจจุบันนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญากันเลยเน้นแต่เรื่องของการทำบุญบุญสีประเภทเรียกว่าบุญบางสังสว่วนเน้นในเรื่องงานบุญงานบุญต่างๆทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญแต่งงานทำบุญงานวันเกิด นี่ก็เรียกว่างานบุญงานบังก็คือบังสกุลเวลามีงานศพก็บังสกุลกันคนตายหรือวันครบระของคนตายเราก็มาบังสกุลกันซื้อผ้าเหลืองซื้อผ้าผ้าจีวรมาถวายพระให้พระท่านชักบังสกุลกันอนิจจาวัตถสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา การปล่อยวางสังขารทั้งหลายนี้เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักเรื่องของร่างกายของพวกเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะทำให้ไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายอันนี้เป็นคำสอนแต่ผู้ที่ไปทําบางสกุลกลับอยากจะให้ คนที่แก่คนที่เจ็บคนที่จะตายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเวลาใครเจ็บทีก็ซื้อผ้าขาวผ้าเหลืองมาถวายพระให้พรขอให้พรแทนที่จะมาฟังคําสอนว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเนอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนาะร่วงพ้นไปไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันเถิดปล่อยวางมันเถิด อย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทำให้ทุกขไปเปล่าๆกับไม่เข้าใจคำหมายความหมายของคำที่พระท่านสวดกันว่าอนิจจาวัสสังขาราอุปดาดวยะธรรมิโนอุปัชิ ต, ตวานิรุชันติเลสร้างอุปะสะมสุสโคสังขารคือร่างกายทั้งหลายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการตั้งอยู่เป็นธรรมดา และมีการดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารทั้งปวงนี้เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ไม่เข้าใจกันเพราะไม่มีการศึกษาและไม่มีการสั่งสอนไม่มีการอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปล่อยวางร่างกายจากการไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแต่เราไปทำบางสกุลกับไปยึดไปติดกับร่างกาย ตปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันหรือถ้าตายไปแล้วก็อยากให้ไปสุคติกันผู้ที่ตายไปแล้วจะไปสุคติหรือไม่อยู่ที่บุญที่บาปของผู้ที่กระทผู้ที่มาทำบังสกุลนี้ไม่สามารถไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ที่ตายไปแล้วได้เพียงแต่พอที่จะบัรเทาถ้าไปตกอับ ไปเดือดร้อนขาด บ, บุญก็สามารถที่จะอุทิศบุญไปให้เขาได้บ้างเท่านั้นเองแต่จะไปเปลี่ยนให้เขาจากไปอบายไปสู่สุคตินี้เปลี่ยนไม่ได้เขาทําอะไรไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําของเขานั้นนี่คือเรื่องบุญบงังสังกเรื่องสังฆทานนี่ก็เป็นงานบุญสังฆทานก็คือการให้ถวาย ของให้กับพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆทานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายสังฆทานแต่เราก็ไปทำนุบำรุงทางด้านถาวาราวัตถุ ก, กันเราไม่ค่อยมาทำนุบำรุงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติกันบุญบางสังและก็สวดก็มีงานสวดต่างๆนิมนต์พระไปสวดสาะเคาะบ้างสาะ อ, อะไรบ้างเวลา เปิดบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือทำกิจกรรมอันใหม่อยากจะให้เจริญนุ่งเรืองก็นิมนต์พระไปสวดกันก็ไปงานบุญเท่านั้นไม่ได้ไปถึงเนื้อถึงหนังของพระพุทธศาสนาคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่คือสภาพของการปฏิบัติของชาวพุทธในเมืองไทยของเราไปติดอยู่แค่เปลือกเท่านั้นก็คือเรื่องของการทำบุญ เข้าไม่ถึงเนื้อของน้าหนังของศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาสู้ชาวต่างชาติไม่ได้ที่เขาศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแทนที่จะศึกษาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องที่จะสอนเพียงแต่เรื่องของการทำบุญเพียงอย่างเดียวไม่เคยสอนเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการ นั่งสมาธิของเจริญปัญญาก็เพราะว่าคนสอนไม่ได้ทำนั่นเองเมื่อคนสอนไม่ได้ทำจะไปสอนให้คนอื่นทำได้อย่างไรก็เหมือนกับแม่ปู่สอนลูกปู่เยแม่ปู่เดินเฉไปเฉ๋มาก็สอนให้ลูกเดินเฉ๋ไปเฉ๋มาพ่อแม่ปู่ญาตายายก็มีแต่ทำบุญเพียงอย่างเดียวก็สอนเรื่องทำบุญเพียงอย่างเดียวเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ยกให้เป็นเรื่องของพระภิกษุไป ไม่ใช่เรื่องของข่าวลาว่าผู้ครองเรือนแต่ชาวต่างประเทศนี้เขาศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงศึกษาจากพระสูตรต่างๆก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เจริญปัญญาเขาก็เลยปฏิบัตินแล้วพอเขาอยากจะปฏิบัติเขาหาที่ปฏิบัติไม่ได้เขาก็มาที่เมืองไทยกัน เพระเมืองไทยนี้ยังมีพระที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เขาไม่สามารถหาได้ในประเทศของเขาเขาก็เลยต้องมาที่ประเทศไทยแต่เป็นสถานที่ที่น้อยมากหาได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนชาวพุทธของเรา สถานที่ปฏิบัติธรรมในป่าในเขานี้มีน้อยมากเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติก็มีน้อยมากนั่นเองแต่ถ้าเรื่องของวัดวาอารามเรื่องของถาวรวัตถุต่างๆนี้มีมากมายมีทุกมุมทุกแห่งในประเทศไปที่ไหนก็จะเห็นวัดวาอารามที่สวยงามกันแต่ไม่ค่อยเห็นพระที่เป็นพระสุปฏิพโนกัน พระที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันทั้งผู้ที่เป็นคารวะและเป็นผู้เป็นนักบวชก็เพราะว่าทางการศึกษาของพวกเรานี้ถดถอยไม่เข้มแข็งไม่ได้เน้นในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันเน้นไปอยู่แต่เรื่องของการทำบุญกันจะชัดจะเด่นในเรื่องบุญบางสังสวนกัน ก็เลยทําให้ผู้ที่มาบวชนั้นก็เลยต้องไปให้ความสําคัญกับงานบุญบางสังส่วนกันแทนที่จะไปให้ความสําคัญต่อการศึกษาปฏิบัติใจศึกษาคือศีลสมาธิปัญญากันพระสงฆ์ที่มาบวชก็เลยมาทํางานบุญบางสังส่วนกับค้าราชญาติโยมเพราะค้าราชญาติโยมนี้ สนใจชอบเรื่องของการบุญบางสังส่วนไม่ชอบเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เลยไปด้วยกันได้ทั้งพระทั้งคาลวา่ะคาลวา่ะก็ทำบุญพระก็ทำบุญพระก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่มี เรื่องของพระสุปฏิปันโนก็จะไม่มีนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิดกกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเมื่อไปกลางออกมามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เหมือนกับเป็นคนศาสนากันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเรียกว่าเป็นศาสนาวัตถุก็ได้ส่วนศาสนะ พระพุทธศาสน า, าในพระไตเปโดกก็เรียกว่าเป็นาศาสนธรรมเก็เน้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการบรรลุธรรมกัน อ, อันนี้ก็คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเน้นสอนเรื่องของการศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ไม่สงสอนให้ทำบุญเพื่อให้กลับมาเกิดร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตไม่สอนให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดสอนเพื่อให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าได้ทำบุญแล้วถ้ายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเวลากลับมาเกิดใหม่อันนี้สงจากการทำบุญก็จะทำให้ร่ำให้รวยได้ แต่ น, นี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการให้ทําบุญนะการให้ทําบุญนี้เพื่อให้กําจัดเงินทองที่จะเอาไปใช้ซื้อภพชาติต่างๆคือการซื้อการกระทํำลายตามความอยากต่างๆด้วยเงินทองอันนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไม่ได้ทําให้มีน้อยลงไปจึงสอนให้เอาเงินมาทําบุญดีกว่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆ เอาเงินไปทําตามความอยากต่างๆเช่นไปเที่ยวไปซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอามาทำบุญเสียจะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปและจะทำให้การเข้าสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นไปได้ง่ายและสะดวกนั่นเองถ้ายังติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมา ศึกษามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนั่นเองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นก็กอย่างน้อยก็ให้เวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีในสุขคติคือไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทศเป็นพรหมแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อ กลับมาปฏิบัติศีลสมาธิต่อเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จนกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานนี่คือเป้าหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะนาพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองดังนั้นพวกเราชาวพุทธที่มีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติทานศีลสมาธิและปัญญานี้ขอให้เราทำให้ถึงขั้นปัญญากันอย่าทำแต่แค่ทานาเพียงอย่างเดียวให้ทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาคือนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเจริญให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ปัญญาในการกาจัด ต้นเหตุของเหตุต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมากตัญหาภาวะตัญหาหรือความโลภความโกรธ ค, ความหลงนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจพอหมดแล้วภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปนี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาได้ยินได้ฟังกันในวันนี้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 มาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายยโกภวะอาพิวาธานศีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาง ตาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาดงั้นถ้าใครต้องการจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยครับขออนญาตอาจารย์เคยได้ยินมาว่า สติเป็นกุญแจสําคัญในการที่เข้าสู่ภริยาบุคคลครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขยายความครับสตินี้เป็นเหมือนกับเป็นกอไก่ขอไ ข, ข่ของการปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็ต้องมีสติ หยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดความคิดต่างๆได้มีความสงบแล้ว เ, เราก็ใช้สติควบคุมให้คิดไปในทางปัญญาต่อไปได้ควบคุมให้คิดไปในทางไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราควบคุมให้คิดในทางอานิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเห็นโทษของอตันหาของความอยากต่างๆ เราก็จะละปัญหาความอยากเมื่อเราละความอยากได้เราก็ดับความทุกข์ต่างๆได้เมื่อความทุกข์ต่างๆหมดไปจิตก็ถึงพระ น, นิพพานถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิไม่สามารถควบคุมความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้จิตก็จะไม่สามารถไปสู่พระนิพพานได้ถึงต้องเริ่มต้นที่ศีลห้า คือข้อสุราให้ละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาเพราะการดื่มสุราแล้วจะทำให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีได้ก็จะคิดไปฆ่าไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทแเราก็จะทำให้เกิดมีโทษตามมาทำให้ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่ถ้ามีสติรักษาศีนห้าได้ก็จะสามารถรักษาศีนแปดต่อไปได้เพราะจำเป็นจะต้องรักษาศีนแปดเพื่อหยุดตัหาความอยากคือกามาตันหาสีนแปดนี้จะห้ามไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายเพื่อจะได้มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติควบคุมความคิดให้หยุดคิด เมื่อหยุดคิดแล้วจิตสงบเป็นสมาธิก็จะได้พบความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรลดทุตตภะก็จะทําให้เลิกการเสบรูปเสียงกลิ่นรดได้เลิกกามัตันหาได้เลิกภาวะตันหาเลิกวิภาวะตันหาได้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าการทําตามกามัตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหา นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขก็จะเลิกแล้วเมื่อเลิกแล้วก็จะไม่มีตัณหาไม่มีความทุกข์ใจ ก, ก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นนิพพานไปคำถามจากทางบ้านจากคุณแสบแคทขั้นตอนในการพิจารณาอาสุภากรรมฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อน ควรเริ่มต้นจากอะไรคะเช่นจินตนาการถึงเส้นผมเล็บน้ำมูกเลือดหนองหรือจินตนาการถึงเลือดเนื้อในกายที่หลุดลอกจนเห็นเนื้อแดงแดงหัวใจตับไตส้พุงหรือจินตนาการถึงโครงกระดูกร่างกายไปเลยและจำเป็นต้องหาภาพมาดูให้ติดตาก่อนไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่แลคนเห็นส่วนไหนของร่างกายก็ได้ที่ทาให้เรา ดับอารมณ์ได้ดับการอารมณ์ได้แล้วแต่คนบางคนเห็นเห็นผมก็ดับอารมณ์ได้เห็นขนก็ดับอารมณ์ได้เห็นหนังก็ดับอารมณ์ได้เห็นโครงก็ดูเห็นตับไตไส้พงุงแล้วแต่จะเห็นอะไรก็เลือกดูเอาเองร่างกายนี้มีหลายมิติด้วยกัน ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นมิติหนึ่งตอนที่เป็นคนแก่ก็เป็นมิติหนึ่งตอนที่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นมิติหนึ่งตอนที่เป็นคนตายก็เป็นมิติหนึ่งดูข้างนอกก็เป็นมิติหนึ่งคือดูอาการที่อยู่ข้างนอกผิวหนังแล้วก็ดูอาการที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังก็มีอีกมิติหนึ่งก็เลือกดูเอาก็ดูในร่างกายนี้แหะ ดูในส่วนที่มันไม่สวยไม่งามดูที่ดูแล้วมันจะทําให้เบื่อนายไม่มีการอารมณ์กับร่างกายนัย้นแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันบางคนเห็นอย่างหนึ่งบางคนเห็นอีกอย่างหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงบอกให้พระภิกษุรูปหนึ่งไปพิจารณาศพของโสเภณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่า มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่พอทอตายไปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ไปดูศพของสูเินีคนนี้พอไปดูแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาละกามอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจได้อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกดูเอาโดยรวมก็คือให้ดูส่วนที่ดับกามอารมณ์ ไม่ใช่ดูในส่วนที่ทำให้เกิดกามารมณ์สมัยนี้เขาจะเอาภาพที่จะามากระตุ้นกามารมณ์กันเช่นภาพในหนังสือต่างๆในสื่อต่างๆเขามักจะเอาภาพที่เห็นแล้วเกิดกามารมณ์กันขึ้นมาเขาไม่เอาภาพที่เห็นแล้วดับกามารมณ์เพราะถ้าเอาภาพเหล่านั้นมาขายก็คงจะขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อคิดดูถ้าเอาขนาดหนังสือพิมพ์ไปถ่าย ภาพข่าวของคนตายเขายัางต้องปิดปดส่วนต่างๆของร่างกายไม่หเห็นเลยเพราะเห็นแล้วมันทำให้รู้สึกขยะขยงน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่น่ารักน่าชอบผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะล ะ, ะการมาราคานี้จำเป็นจะต้องดูส่วนที่น่าเกลียดน่ากลัวถึงจะทำให้ไม่หลงไหลคลั่งคล้ายกับร่างกาย ขอคนนทที่ําาาให้้เกิดรมมณ์ึแล้วก่อนจะถึงขั้นของการพิจารณาเอาจอาสุภกรรมฐานจําเป็นต้องทําสมาธิหรือสมถะภาวนาให้ได้อย่างต่ำถึงขั้นอุปจารสมาธิก่อนไหมคะก็แล้วแต่ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีกําลังพอเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิ การมาราคะมันจะมีกำลังมากมันจะให้ไปคิดแต่ภาพสวยๆงามๆจะไม่ยอมให้คิดถึงภาพน่าเกลียดน่ากลัวแต่ถ้าเวลาจิตมีสมาธิมีความสงบการมาราคะมันก็จะถูกกดเอาไว้ทำให้ไม่ไปอยากไปคิดถึงภาพสวยๆงามๆเราก็ใช้ใช้สติบังคับให้ไปคิดในในภาพที่ไม่สวยไม่งามที่น่าเกลียดน่ากลัวให้ดูบ่อยๆ จนกว่าจะจำได้ดูเพื่อให้จำได้ให้มันติดอยู่ในใจเหมือนกับเราท่องกอไก่ขอไข่ท่องไปจนให้จำได้เพื่อต่อไปเวลาเราอ่านหนังสือเราจะได้อ่านออกได้จันใดถ้าเราท่องภาพของอสุภาษอยู่ในใจได้พอเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็ดึงภาพอสุภาษนี้ออกมาปับ๊บพอดึงมาปั๊บมันการอารมณ์มันก็จะดับไปทันที แทนที่จะต้องไประบายการมารวมด้วยการไปร่วมหลับนอนกับใครก็เพียงแต่เอาภาพเอาสุภาพออกมาเท่านี้ก็สบายแล้วไม่ต้องไปเสียเงินไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆเสียเวลาเสียเงินทองและเสี่ยงกับการไปเอาโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยเอาอาสุภาพดีกว่าอาสุภาษนี่กำจัดการมารวมได้อย่างถาวร ไม่ต้องไปเที่ยวอีกต่อไปไม่ต้องไปเสี่ยงกับโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการร่วมเพศกันเนี่ยอสุภาษมีคุณมีประโยชน์มากแต่มันเป็นยาขมที่คนไข้ไม่ชอบรับประทานกันจะให้คนไข้รับประทานยาขมนี่ได้ต้องฉีดยาสลบก่อนพอคนไข้ฉีดยาสลบแล้วไม่ต่อต้านก็ค่อยฉีดเข้าไปอย่าใจของคน ผู้ปฏิบัติถ้ายังไม่สงบก็เหมือนคนไข้ที่ยังไม่สงบนะพอจะเอาภาพออกสุภาพมาให้ดูนี่มันก็จะเป็นลมไม่อยากจะดูกันแต่ถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านภาพที่ไม่สวยไม่งามก็จะนึกถึงภาพนั้นดูภาพนั้นไปเรื่อยๆจนจำได้ภายในใจถ้าอยู่ในใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์ พอเวลาเกิดการมารมขึ้นมาก็ดึงภาพที่มีอยู่ในใจนี้ออกมาดับการมารมได้ทันทีถ้าอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ในหนังสือเราดูปับ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมการพิจารณาสุภาษีตต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับการท่องกอไก่ขอไข่ต้องท่องไปจนกระทั่งจาได้ถึงจะหยุดท่องได้ต้องดูสุภาษจนกระทั่งมันปิดดับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น นึกถึงมันเมื่อไหร่มันก็มาทันทีอย่างนี้แล้วเพราะเราก็ไปทดสอบดูสร้างการอารมณ์ขึ้นมาด้วยการไปดูภาพที่กระตุ้นการอารมณ์ดูแล้วดูว่าพอเกิดการอารมณ์แล้วเราจะเอาภาพอสุภะนี้มาดับการอารมณ์นี้ได้หรือไม่ถ้าดับได้ก็แสดงว่าเรามีน้ำดับไฟลวไฟแห่งการอารมณ์นี้ไม่สามารถลุกเผาหัวใจของเราได้แล้ว แล้วก็นอนหลับสบายคนที่มีการอารมณ์นี่นอนเขาเดียวนอนไม่หลับนุนเพราะการอารมณ์นี้มันจะสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจแต่ถ้ามีอสุภะนึกขึ้นมาปั๊บความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะหายไปหมดนอนหลับสบายมหมดแล้วนะมีข้อเดียวส่งมาทางนี้ทางใครอยากจะถามก็ถามได้นะตอนนี้ เดินเข้ามาเราจะเขียนข้อความมาก็ได้ถ้าไม่อยากจะมาถามเองคำถามจากคุณชัดพิมลเวลาไปบวชเนขั ม, มะก่อนกับจะต้องมีการชาระนิสงสถานปฏิบัติธรรมบางแห่งก็จะมีกล่องให้หยอดปัจจัยเขียนหน้ากล่องว่าชาระนิสงแต่บางวัดมีกล่องชาระนิสงแล้วยังมีกล่องแยกย่อยออกมา อยากทราบว่ากล่องชําระหนี้สงมันครอบคลุมค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอื่นๆไหมคะก็แล้วแต่เขาจะไปสมมุติกันนะก็แล้วแต่เราก็แล้วกันเราคิดว่าเราเป็นหนี้แล้วเราก็จ่ายหนี้นั้นไปก็แล้วกันมันก็จบไปอยู่บ้านเขาก็จ่ายค่าบ้านให้เขาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเข้าไปหรือจะคิดว่าไม่เป็นหนี้สงไปการทําบุญก็ได้บางทีแล้วอาจจะจ่ายมากกว่าที่เราเป็นหนี้ก็ได้ก็ได้บุญถ้าจ่ายแค่เป็นหนี้ก็ไม่ได้บุญ แต่คิดว่าที่พักนี่ราคาร้อยหนึ่งก็จ่ายแค่ร้อยหนึ่งแต่บางคนใจบุญให้ห้าร้อยเลยก็แล้วแต่เผื่อให้คนที่ไม่มีเสด็จเข้ามาอยู่ก็อาจจะจ่ายเพียงห้าสิบทางวัดก็จะได้ห้าร้อยของเราไปจุนเจือกันก็อย่าไปคิดว่าเป็นหนี้กันเลยคิดว่ามาทําบุญกันดีกว่าเอาเอาเงินที่จะไปเที่ยวตามเวลาไปซื้อกระเป๋าใบละกี่ร้อยเมตรมานั่งคิดกันเลยว่ามันกี่ตังกัน พอมาจ่ายนี่สงนี่ต้องมาคิดแล้วเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรบ้าบอข้อแตกก็เปล่านะที่ให้มาทําบุญนี่ก็เพื่อจะได้ไม่เอาเงินไปซื้อของตามความอยากเพราะมันเป็นซื้อยาเสพติดมันจะทําให้ใจติดติดแล้วก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามามาเอาเงินที่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปไปเที่ยวนี่มาทําบุญ มันก็จะตัดการติดการใช้เงินตามความอยากต่างๆไปแล้วจะทำให้เราได้มาปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมกันและได้หยุดทำงานเพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปหาเงินเพราะเงินที่เรามาใช้กับทำบุญมันไม่ได้มากมายเหมือนกับเงินที่เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเงินที่เราไปเที่ยวต่างประเทศกันแต่ละครั้งนี่เอามาทาบุญกัน เอยทําขนาดนั้นกันหรื อ, อยังลองดูทําดูสิแล้วเราต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปไปเที่ยวกันหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็พอคําถามจากคุณกรลาวี <c oughs> เมื่อตายไปแล้วไปพบสุขติเป็นพบมนุษย์แต่ไม่มีร่างกายมีด้วยหรือเจ้าคะหนูได้ฟังพระอาจารย์เทพ อ, อ๋อมนุษย์ก็ต้องมีร่างกายของมนุษย์นี สุคติก็มีเทพมีพรหมนี่แล้วมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็มีร่างกายคือมนุษย์ถือว่าสุคติเพราะว่ามันมันทุกน้อยกมันทุกน้อยก็สุขนทุกที่เป็นทุกมากกว่าสุขก็เรียกว่าทุคติทุคติก็คือตั้งแต่เดรชานลงไปเดชนเปยอสศุลกายนารกนี่เรียกว่าทุคติมีทุกมากกว่ามีความสุขส่วนสุคติก็พบที่มีสุขมากกว่าทุก พบของมนุษย์ก็มีความสุขมากกว่าทุกจะทุกแต่เฉพาะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเท่านั้นเวลาอื่นก็สุขกันเที่ยวกันเฮฮาปาร์ตี้กันกินดื่มกันอะไรต่างๆนานาก็ะะยังเป็นสุขอยู่คำถามจากคุณละเวงข้อที่หนึ่งจริงๆแล้วเราคือใจใช่ไหมคะแต่เป็นใจที่มีอวิชชาไม่รู้โลกตามความเป็นจริง แล้วก็นำไปสู่ความหลงผิดใช่ไหมคะเออถูกแล้วข้อที่สองการเพิ่มอินทรีย์ของผู้เริ่มปฏิบัติให้มีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นควรเริ่มจากอะไรคะก็เริ่มจากสติกับวิริยะเนี่ยและศรัทธามันก็ต้องเพิ่มเริ่มต้นก็ศรัทธาก่อนเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้ ดิบได้ดีกว่าเดิมพอเราเชื่อแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีวิริยะความภาคเพียนขึ้นมาเราก็จะมาเพียงสร้างอะไรก็เพียนสร้างสติเพราะเราต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิถึงจะมีปัญญาได้นี่คืออินทรีย์ทั้ง5เริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาความเชื่อจะเชื่อก็ต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย ฟังธรรมต้องฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงถึงจะเกิดศรัทธาถ้าฟังจากคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงฟังแล้วบางทีก็สงสัยเพราะคนที่แสดงก็สงสัยแสดงไปคนฟังก็สงสัยเหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดก็จะไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจะทำให้เกิดศรัทธาเพราะท่านจะแสดงด้วยความเต็มด้วยความมั่นใจ ว่าอันนี้มีจริงนะปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้นะไม่สงสัยพอคนฟังได้มีการรับรองเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านแล้วเขารับประกันว่าสินค้านี้ซื้อไปแล้วใช้ได้ดีะถ้าใช้ไม่ได้ดีเอามาคืนเลยไม่คิดเงินเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยถ้าอย่างนี้คนซื้อก็มีศรัทธาที่จะซื้อข้าวของถ้าไปซื้อกับคนที่เขาไม่ได้เป็นเอเยน่นเขาบอกซื้อไปแล้วไม่รับรองนะไม่รู้นะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อะซื้อแล้วก็เสียเอาเอง ถ้าเสียก็โยนทิ้งไปถ้าอย่างนี้ก็ใครอยากจะไปซื้อ嘛ใช่ไหมงั้นต้องไปฟังเทศฟังธรรมของจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเขาจะยืนยันว่าธรรมเหล่านี้มีจริงมากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่มีจริงเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญาพอเราได้ยินได้ฟัง่งนี้ก็จะทําให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเพียร ที่อยากจะเจริญสติสมาธิปัญญาขึ้นมาในอินทรีย์ทั้งห้านี้ก็เป็นตามเป็นไปตามลาดับขั้นแรกก็ศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะพอมีวิริยะก็เพียรสร้างสติพอมีสติก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิก็สามารถสั่งให้ใจหยุดความอยากต่างๆได้โดยการใช้ปัญญาที่พพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ คือให้เห็นโทษของความอยากอย่าไปเห็นว่าความอยากเป็นคุณตอนนี้พวกเราเห็นความอยากเป็นคุณกันอยากเที่ยวนี้ก็เที่ยวกันเพราะคิดว่าเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขกันอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อกันเพราะคิดว่าทาตามความอยากเราจะได้ความสุขกันแต่ไม่ได้มองว่าเวลาอยากแล้วไม่ได้เที่ยวจะเป็นยังไงอยากแล้วไม่ได้ซื้อจะเป็นยังไงเวลานั้นก็มีแต่ความหงดหิดลาคาญใจมีแต่ความทุกข์ใจ นี่คือเรื่องของ N45 ประการเริ่มที่ศรัทธาจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาถามตอบปัญหาธรรมอย่างเนี้ที่ที่ทำให้เกิดศรัทธาญายมเมื่อก่อนไม่เคยเข้าวัดเลยก็เข้าวัดกันไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลกันไม่เคยมาอยู่ถือศีลแปก็มาถือศีลแปดกันก็เพราะว่าหลังจากได้ฟังแล้วมันมีความเาชื่อว่าทำแล้วได้ดีทําให้ตัวเองได้พบกับความสุข ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันเบาบางลงไปและหมดไปได้มีคำถามนะเชิญพอดีโยมมากับน้องชายในรถก็คุยกันในรถนะคะว่าโยมแม่เนี่ยเสียแล้วเลยอยากจะรู้ว่าเวลามนุษย์เสียแล้วนี่ไปยังไงมายังไงคะท่านวันนี้ก็แสดงไว้ทั้งทั้งก น, นะเดี๋ยวไปเปิดฟังดูค่ะ ตายไปแล้วก็ไปตามอํานาจของบุญกับบาปที่เราทําไว้แยกไปเลยไหมล่คะคะท่านก็ดูว่าบุญกับบาปใครจะมีกําลังมากกว่ากันเนี่ยค่ะถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปทุกขติดึงไปอบายก่อนถ้าบาปมีกําลังบุญมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปสวรรค์ก่อนจนกว่าบุญกับบาปจะมีกําลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วแล้วที่บางบางบางวิญญาณแบบยังวนไหว้ อันนั้นก็เป็นเพียงชั่วคราวบางทียังมีความผูกพันอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งจนรู้ว่าอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จะไปตามบุญตามบาปต่อไปเช่นยังรักยังห่วงลูกก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ใกล้ลูกแต่ลูกก็คุยกันกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อยู่กันสักพักก็ก็หมดก็ก็หมดก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมก็เลยไปรับผลบุญผลบาปต่อไป าการติดต่อกันได้นี่คือคืออะไรคะท่านก็คือกระแสจิตไงจิตของเราแต่ละคนนี้ถ้ามันมันปรับขึ้นได้มันก็จะติดต่อกันได้ถ้าเราอยากจะปรับขึ้นติดต่อกับพวกที่เขา้าร่วงรับไปแล้วเ ร, เราก็ต้องนั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิ น, นี้จะปรับขึ้นจิตของเราให้มันละเอียดขึ้นไปทําให้เราสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดได้ตอนนี้เราอยู่ในคลื่นหยาบที่ รับกระแสเราเรารับรูปเสียงกลิ่นรสย่าผ่านทางร่างกายเราจรึงไม่ต้องใช้กระแสขึ้นละเอียดเนี่ยแต่พอเราไม่มีร่างกายเนี่ยหรือถ้าเราต้องการติดต่อกับผู้ที่มีไม่มีร่างกายมีร่างกายที่ละเอียดเราก็ต้องปรับกระแสขึ้นจิตของเราให้ละเอียดตามเราถึงจะติดต่อกับเขาได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้ถ้าเราปรับขึ้นตรงกับเขานะ การนั่งสมาธิก็ไม่เนี่มาควาว่าทุกคนจะนั่งแล้วติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้ก็ต้องรู้ว่าคลื่นที่จะติดต่อ น, นั้นเป็นคลื่นเท่าไหร่เหมืนนอมนเนี่ยคลื่นที่เราใช้กับเครื่องกระยายเสียงเนี่ยถ้าคลื่นไม่ตรงกันมันก็รับเสียงกันไม่ได้คำถามจากดรตั้มอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินจงกรมหน่อยครับ การเดินยมกลมก็เป็นการเจริญสติเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถผ่อนคลายร่างกายพราเวลาเรานั่งสมาธิกันนานร่างกายก็ต้องปวดเมื่อยไปตามสัสดส่วนต่างๆเราก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่เรายังอยากจะปฏิบัติต่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินส่วนใจเราก็เจริญสติต่อไปเช่นเราเคยพุโทโธขณะที่เรานั่งพอลุกขึ้นมาแล้วก็พุทโทต่อไป ก็เดินไปแบบสบายสบายไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่ต้องเดินแบบคนหัดเดินะยกหนอก้าวหนอวางหนอไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้ น, นให้มีใจควบคุมมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็พอแล้วให้มีพุโทโธหรือให้การเฝ้าดูการเดินก็ได้เดินก็ให้รู้ว่าก้าวซ้ายก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแค่นี้ก็พอ จะเดินไปแบบสบายสบายเดินเพื่อเพืผ่อนคลายร่างกายอิริยาบถที่มันนั่งนานๆแล้วมันปวดเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินช้าบ้างเดินเร็วบ้างก็ได้บางเวลาจะต้องเดินเร็วหน่อยเวลามันง่วงเวลามันขี้เกียจก็ต้องบังคับให้มันเดินเร็วๆหน่อยมันจะได้หายง่วงหายขี้เกียจแล้วพอมันหายง่วงหายขี้เกียจล้วก็เดินธรรมดาธรรมดาไปเดินเดินกว่าเราจะเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ ตลอระยะเวลาที่เดินก็ให้มีพุโทโธกำกับใจมีสติกำกับใจจะเป็นพุโทโธก็ได้จะเป็นการดูเท้าก็ได้แต่อย่าไม่อย่าไปคิดอะไรถ้าเราอยู่ในขั้นของการเจริญสติเพื่อให้ใจสงบยังไม่ควรเจริญปัญญาเพราะถ้าคิดไปทางปัญญาแล้วมันจะฟุง้งแล้วเวลามานั่งสมาธิมันจะไม่หยุดคิดแล้วมันจะไม่สงบคําถามจากคุณสละอาด ตามความเข้าใจของผมถ้านั่งสมาธิจ น, จนจิตสงบเป็นระยะเวลานานครั้งละสองชั่วโมงจิตอาจจะเข้าไปอยู่ในอรูปฌานและอาจจะติดอยู่ในอรูปฌานหรือไม่ครับก็ไม่ติดแล้วมันก็ออกมาแล้วไม่ใช่หลังจากสองชั่วโมงก็ออกมาแล้วจะไปติดยังไงถ้าติดก็ต้องอยู่ในนั้นไม่ได้ออกมาเลยคำถามจากคุณจงสินี เคยได้ยินคนพูดกันว่าไม่กล้านั่งสมาธิกลัวจะบ้าจริงเท็จแค่ไหนคะพระอาจารย์มีแต่คนไม่นั่งนะบ้าคนนั่งก็ไม่บ้ากันหรอกมีใครนั่งสมาธิแล้วบ้ามีแต่พวกที่ไม่นั่งนะมันบ้ากันคำถามจากคุณใหญ่ลูกอธิษฐานจิตว่าขอถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรขออย่างนี้จะสูงมากเกินไปไหมเจ้าคะ และจะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจําวันในการคลองเรือนหรือเปล่าคะขอไม่ได้หรอกถ้าขอได้ก็เป็นไปนิพพานกันหมดแล้วนิพพานต้องสร้างขึ้นมาถ้าจะสร้างจะอธิษฐานต้องอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะสร้างนิพพานวิธีสร้างนิพพานทําอย่างไรก็ให้จละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองออกบวชทำตามที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกปฏิบัติกันถ้าเดี๋ยวก็จะได้นิพพานนะ ถ้ามานั่งขออธิษฐานว่าขอให้ได้ไปนานิพานขอไปจนวันตายขออีกร้อยชาติก็ไม่ได้ไปเพราะการขอไม่ได้เป็นการทําให้เกิดปานิพานขึ้นมาพระนิพานเกิดจากการสร้างด้วยการเจริญศีนสมาธิปัญญาคําถามจากคุณป่ายเวลามีเรื่องราวทาให้ใจไม่สงบเราท่องพุโทโธก็ยังไม่นิ่งนั่นเพราะเราอยู่ที่วุ่นวายเพราะต้องทํางาน เราควรปีกวิเวกให้บ่อยขึ้นเพื่อเจริญสติหรือพยายามเจริญสติในทุกๆวันในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่วุ่นวายดีคะถ้าทำได้ทุกวันก็ดีแต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์วุ่นวายแล้วมันสติแตกมันไม่สามารถที่จะเจริญได้มันก็จะวุ่นไวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นควรจะไปปีกวิเวกจะดีกว่าถ้าไปได้ไปปิกวิเวกไปสร้างสติขึ้นมา พอเรามีสติแล้วพอเราอยู่ในที่วุ่นวายเราก็จะไม่วุ่นวายตามได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่วุ่นวายแล้วเราจเจริญสติได้ก็ดีถ้าเวลาอยู่ในเหตุการณ์วุ่นวายแล้วเราไม่วุ่นวายก็ถือว่าดีจะทำได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าสติไม่มีกำลังที่จะดึงใจออกจากความวุ่นวายได้ก็ต้องไปสร้างสติขึ้นมาให้มีกาลังที่จะดึงใจให้ออกจาก เหตุการณ์วุ่นวายต่างๆได้คำถามจากคุณสุวรรณาเมื่อเราทำบุญแล้วอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตเขาจะได้มากน้อยอย่างไรเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเขามีบุญมากน้อยหรือเปล่าถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับบุญที่เราส่งไปเพราะเป็นเหมือนเงินให้ขอทานถ้าเขามีบุญมากเขาก็เป็นเหมือนเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่ยินดียินร้ายกับเงินที่เขาให้ขอทาน แต่ก็ไม่ปฏิเสธก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจขออนุโมทนาแต่เศรษฐีจะเอาเงินที่ขอทานได้ไปทําอะไรอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับบุญอุทิศบุญที่เราอุทิศไปให้ผู้ตายนี้เป็นเหมือนเงินให้ขอทานแต่ถ้าผู้ตายมีบุญติดตัวไปเป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญของผู้ที่จะอุทิศไปอ่า ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนําหลักธรรมหรือวิธีการในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในยามที่จิตในบางครั้งเกิดถูกกระทบอย่างรุนแรงจากการถูกบุคคลทำร้ายให้เจ็บปวดเครียดแค้นอย่างมากและไม่สามารถที่จะเจริญสติได้ในเวลานั้นจะทําอย่างไรที่จะช่วยให้จิตถอนอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเจ้าค่ะคือเราก็ต้องทําการบ้านไว้ก่อนนี่ ถ้าเราไม่ทําการบ้านเลยพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ก็เราก็จะทำอะไรไม่ได้เหมือนกับนักมวยก่อนที่ก็จะขึ้นไปชกเขาก็ต้องเตรียมชกก่อนถ้าเขาไม่เตรียมเลยพอขึ้นไปก็โดนโชกอย่างเดียวอย่างถ้าเรารู้ว่าเราจะถูกผู้อื่นทําร้ายทางด้านท า, ทางด้านร่างกายก็ดีทางด้านจิตใจก็ดีเราก็ต้องอจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาคิดอยู่ว่าถ้าเขาทําอย่างนี้กับเรา เราอับให้อภัยเขาได้หรือไม่แล้วเราก็พิจารณาว่าการให้อภัยกับการไม่ให้อภัยนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันการให้อภัยก็จะทําให้ใจเราเย็นสบายไม่เดือดร้อนการที่โกรธเขาเกลียดเขาอาฆาตปยาบาร์เขาก็จะทําให้ใจเราร้อนเราจะทําให้เราเครียดแค้นแล้วถ้าเราทําร้ายเขาไม่ได้เราก็ยิ่งจะเครียดแค้นใหญ่หรือถ้าเราทําร้ายเขาได้เราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์อยู่ดี เราต้องจำนองเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบแรงๆเราจะทำอย่างไรมีวิธีสองวิธีวิธีของสติก็ให้มีพุโทโธพุธโทโธไปให้ท่องพุโทโธไปหรือให้สวดมนต์ไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้สะเทือนใจเราถ้าเราดึงใจออกจากเหตุการณ์นั้นได้เราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราก็จะเฉยๆได้ หรือถ้าว่าเราจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนเหมือนแผ่นดินถลม่มสองสามวันที่ผ่านมาเนี่เราห้ามมันไม่ได้มีเรามีทำได้อย่างเดียวก็คือรับกับเหตุการ์ก็เกยยอมรับว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่จะต้องเจอเหตุการ์อย่างนั้นเจอแล้วเราก็เราก็ทำใจแล้วก็อยู่ต่อไปไม่ไปคิดไม่ไปไม่ไปโมโหแผ่นดินที่ถล่ม เพราะเราไปทำแผ่นดินอะไรไม่ได้คนที่เข้ามาทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจสะเทือนใจก็เหมือนกับแผ่นดินถล่มนี่แหละให้มองอย่างนี้เป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นภัยธรรมชาติเราก็จะไม่ไปแก้แค้นอาฆาตพยาบาทไปโกรธเกลียดแต่ถ้าเราไปมองว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นคนเราก็จะคิดอาฆาตพยาบาทต่อบุคคล น, นั้นจิ่งนั้นงนั้นพยายามมอง ทุกคนว่าเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนภัยธรรมชาติเวลาเขาพูดหรื อ, อทำร้ายจิตใจเราก็ถือว่าเราโดนแผ่นดินถล่มก็แล้วกันอย่าไปคิดว่าโดนคนนั้นคนนี้ถลม่มแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราก็ประครับประคองใจของเราให้สงบแล้วเราก็เดินก้าวหน้าต่อไปเข้าใจไหมมีอยากจะถามอะไรซ้มไเพิ่มหม ต้องซ้อมไว้ก่อนเนี่ยถึงจะรู้ไงว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยถึงต้องมาปฏิบัติทำกันต้องนึกจำนองบ่อยๆเรากลัวอะไรต้องคิดถึงเหตุการณ์นั้นบ่อยๆเพื่อทําใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์นั้นให้ได้พระเจ้าถึงสอนให้พวกเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะต้องเจอมันแต่เราสามารถเจอมันได้อย่างไม่สะทกสะทานหรือเจอมันด้วยความทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่คนมาทำให้เราสะเทือนใจเราก็ไม่อยากจะให้เขาทำเราให้สะเทือนใจแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะทำเขาก็ทำเหมือนกับแผ่นดินไหวเราไปห้ามม่ให้มันไหวเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถมาซ้อมใจให้รับกับแผ่นดินไหวได้เพราะใจเราไม่ตายไปกับเหตุการณ์ต่างๆต่อให้เขาโยนระเบิดนิวเคลียร์ใส่เราเราก็ไม่ตายใจเราไม่ตายใจเราทุกพ้อ เราไม่มีสติประครับประคองใจปล่อยให้มันไหลไปกับเหตุการณ์สะเทินไปกับเหตุการณ์ถ้าเรามีสติเราก็จะรักษาใจให้นิ่งเฉยได้เ ร, เราต้องจำลองเหตุการณ์แล้วคิดบ่อยๆเตรียมตัวบ่อยๆแล้วพอเจอเหตุการณ์ก็ลองทำดูครับธรรมากาสตร์รอาจารย์ครับพอดีมีคำถามเวลาสวดมนต์ไปประมาณสักสักแป๊ บ, บนึงพอกิตนิ่งเนี่ย ไม่ได้เป็นประจํานะครับอาจารย์จะมีคล้ายๆว่าคนที่ไม่ไม่รู้จักเลยปุดขึ้นมาคือไม่ได้มาแบบทุกวันนะครับเวลาสวดอาจจะเป็นอาทิตย์หนึงงน่งครั้งหนึ่งหรือคนหนึง่งแต่ไม่ได้มาซ้าไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับมาก็มาไม่ต้องไปสนใจว่ามาจากอะไรหรอกให้รู้ว่าทําอะไรกับมันนั่นเองวิธีที่จะปฏิบัติกับมันก็ให้รู้เฉยๆ ถ้าคุยกับมันได้ก็คุยมันดูเอมึงเป็นใครมาจากไหนอ่ก็อยากจะรู้เข้ามาจากไหนทําไมไม่ถามเขาสะมาถามเราทําไมเวลาเจอเขาไม่ถามเข้ามาจากไหนมาถามเราทำไมอ่ะอยากจะรู้เข้ามาจากไหนก็ถามเขาเลยมามาจากไหนเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าครับถามก็ถาม่าดูสิมาถามเราทาไมเนาะว่าอะไรวะเวลามาก็ถามว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรมาจากไหนเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่าะ ไม่หมายถึงถ้าถามไงถ้าถ้าเป็นของจริงมันคุยกันได้ถ้าไม่ใช่เป็นของจริงก็เป็นของปลอมมันก็เกิดปั๊บก็หายไปก็แสดงว่าเป็นของปลอมถ้าเป็นของจริงคุยกันได้ถามไถ่ายสาระทุกสุขลิบได้คาถามจากคุณภูข้อที่หนึ่งการนั่งสมาธิจำเป็นไหมครับต้องนั่งขวาทับซ้ายเสมอก็เวลา ทำเล่นกีฬาเขาก็มีวิธีเล่นไม่ใช่วิธีตีกอบตีแบตนี่จะจับไม้อย่างไรถึงจะได้ตีได้ดีได้ผลดีการนั่งสมาธิก็มีท่านั่งที่ดีท่านั่งที่ดีก็คือนั่งขัดสมาดขวาขว า, ขวาซ้ายทับขวาขวาแล้วแล้วขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายมือก็มือขวาก็ทับมือซ้ายอันนี้เป็นท่าที่เหมาะที่สุดในการนั่งสมาธิแต่จะนั่งท่าอื่นก็ไม่ห้าม แต่จะซูนท่านี้ไม่ได้เพราะท่านี้จะนั่งได้นานถ้าคนอยากจะนั่งนานๆแปดชั่วโม ง, งนี้ทั้งคืนอย่างนี้นั่งท่านี้แล้วมันจะสบายกว่าท่าอื่นข้อที่สองการนั่งสมาธิจำเป็นไหมครับต้องนั่งให้นึกถึงอวัยวะร่างกายเสมอแล้วแต่เราอยู่ทำขั้นไหนแล้วแล้วแต่กรรมฐานที่เราจะใช้ใช้กรรมฐานแบบไหน การจะทำใจให้สงบนี่เรานึกถึงอะไรได้หลายอย่างที่จะทำให้ใจเราสงบนึกถึงพุโทโธก็ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ได้นึกถึงอวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้เช่นโครงกระดูกเราก็นึกอยู่กับโครงกระดูกนั้นไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวมันก็ทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณสุนีการภาวนาพุโทโธต้องกาหนดจิตอย่างไรครับ ที่ลมหายใจเข้าออกหรืออย่างไรครับออไม่ต้องสนใจเรื่องลมหายใจเลยถ้าพุโทโธก็อยู่คำว่าพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็ไม่ต้องไปพุโทโธดูลมอย่างเดียวคาถามจากคุณหนูบางทีจิตมันคิดไม่ดีทั้งทั้งที่ตัวเราเองไม่อยากคิดแบบนั้นอย่างนี้จะเป็นบาปไหมคะมันยังไม่บาปแต่มันเป็นอกุศลอกุศลก็คือจะทำให้ใจเราไม่สบาย คิดไปดีทําให้เราไม่สบายแต่ยังไม่เป็นบาปเพราะเรายังไม่ไปทําร้ายใครจะเป็นบาปต่อเมื่อเราเอาความคิดไปดีนี้ไปพูดหรือเอกไปกระทําทางร่างกายมันก็จะเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมได้ดังั้นถ้าเรามีสติพอเรารู้เราคิดไม่ดีเราก็หยุดมันได้ใช้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็กบความคิดที่ไม่ดีได้คําถามจากคุณสุลา การที่เราได้สวดมนต์เจริญสมาธิผลบุญตรงนี้จะส่งผลด้านบวกในเรื่องการงานกิจการที่เราได้ทำมากน้อยเพียงใดครับก็จะทำให้เราออกจากงานได้ไงการทำงานนี่มันไม่ดีเหนื่อยจะตายไปมาบวชสบายกว่านั่งเฉยๆทาใจให้ว่างให้สงบไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยยากคำถามจากคุณปีเตอร์ วิธีกวดน้ำที่ถูกต้องทำยังไงครับเคย<ม>ได้ยินว่าเวลาเอามือแตะต่อต่ อ, ตอบางคนบอกจะดีบางคนบอกไม่ดีครับไม่ต้องใช้น้ำหรอกให้มีสติแล้ว เ, เลือกอยู่ในใจของเราว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องรอให้พระสวดด้วยทำบุญปั๊บอุทิศได้เลยเรื่องของพระสวดเป็นเรื่องของพระเรื่องของอุทิศเป็นเรื่องของเราไม่เกี่ยวกัน ที่พระสวดนี้เป็นพระสอนว่าการอุทิศบุญนี้เป็นประโยชน์นะบุญที่เราทำเนี่เราแบ่งให้คนตายได้นี่คือสอนให้ฟังเท่านั้นเองไม่ต้องมารอให้พระยะถาแล้วก็เทน้ําน้ําก็ไม่ใช่บุญบุญคือความความสุขใจที่เราได้จากการทําบุญเวลาที่เรามีความสุขใจแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปให้เขาขอแบ่งความสุขนี้ให้กับเธอนะเผื่อเธอมีความทุกข์เธอก็จะได้บรรเทาความทุกข์ จากการที่ได้รับความสุขใจของเราได้เหมือนคนที่หนาวเนี้ยก็ไปกอดคนที่ร้อนเนี่ยเขาก็แบ่งความร้อนให้กับคนหนาวได้คนที่หนาวก็จะได้หายร้อนได้เข้าใจไหมนี่คือการแบ่งบุญเอมันก็แบ่งความร้อนคนที่หนาวขาดความร้อนเช่นคนตกไปในน้ําเย็นแล้วขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีผ้าห่มเนี่ยเขาก็เลยไปกอดคนที่มีมีความร้อนเนี่ย อดไปสักพักมันก็จะเกิดอาการอุ่นขึ้นมาในร่างกายได้นั่นเป็นการเหมือนกับแบ่งความร้อนให้แก่กันบุญก็เป็นการเหมือนแบ่งความสุขความเย็นใจให้แก่กันถ้าใจเรายังไม่สุขไม่เย็นเราก็แบ่งไม่ได้เราต้องเราจึงต้องทำบุญพอเราทำบุญแล้วเราจะรู้สึกเย็นใจสุขใจอิ่มใจเราก็แบ่งส่วนนี้ไปให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีได้ คำถามจากคุณดอฟินที่บ้านขายหมูค่ะสั่งหมูทุกวันเพื่อมาขายถือว่าเป็นบาปไหมคะก็ทำถ้าเอาไปฆ่าก็บาปเพราะเรามีส่วนร่วมถึงแม้เราถ้าเราไม่ฆ่าไม่บาปแต่เป็นมิจฉ า, าชีพคือเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะเพราะเป็นการสนับสนุนให้มีการฆ่ากันเราไม่เราควรจะเลีเ่ยงอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิต ถึงแม้ไม่ได้จากการกระทําของเราเองก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยหมดแล้วค่ ะ, ะก็ดีเวลาก็ใกล้พอดีมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมยอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมแล้วนะอะให้ถามตอนนี้เพียงอย่างเดียวนะอะ่ขอความกรุณาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวก็ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ